สัจจะสังยุตประมวลเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นหลักสําคัญทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีสมาธิยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นภิกษุผู้หลีกเร้น ยอรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรตามความเป็นจริงคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกข์สัมมุทยัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขกนิโรธความดับทุกขนี้ทุกขกนิโร ธ, ธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกภิกษุทั้งหลายกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ในอดีตการได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบคุณบุตรเหล่าใดในอนาคตการจกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบคุณบุตรเหล่าใดในปัจจุบันการย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบคุณบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริง อริยสัจสี่ประการคือทุกขอริยสัจ ท, ทุกขสมุทัยอริยสัจ ท, ทุกขนิโรธาอาริยสัจ ท, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์มีทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธ นิทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาคุณบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการในอนาคตการและในปัจจุบันการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบคุณบุตรเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้แจ้งอริยสัจสีประการตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพีย เพื่อรู้ชัดอริยสัจสีนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งในอดีตการในอนาคตการในปัจจุบันการได้รู้แจ้งจากรู้แจ้งย่อมรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งได้ประกาศจากประกาศ ยอมประกาศสิ่งที่ตนรู้แจ้งตามความเป็นจริงการรู้แจ้งแล้วตามความเป็นจริงของสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดคืออริยาาสัจสี่ประการภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อประกาศสิ่งที่ตนรู้แจ้งแล้วตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขาสมุทัยนี้ทุกขานิโรธ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 ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งปรมาจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อจะตรึกพึงตรึกว่า น, นี้ทุกขททนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นิทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความตรึกเหล่านี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรมจรรย์ยอมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงอย่าคิดเป็นบาปอากูสละจิตว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดหลังจากตายแล้วตถาคตที่หมายถึงอตาตมา น, นั้นเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเพราะความคิดนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ ไม่เป็นปายเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อจะคิดพึงคิดว่า น, นี้ทุกข์นีทุกขะสมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขะนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขะนิโรธคขามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะความคิดนี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์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 เพราะการกล่าวเช่นนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อนิพพานเธอทั้งหลายเมื่อจะกล่าวพึงกล่าวว่านิทุก์นิทุกขะสมุทัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธาคาิมนีปฏิปทาสำหรับข้อนี้หมายถึงการทุ่มเถียงกันแบบไร้ประโยชน์ แบบการยกตนข่มท่านโดยในยะแล้วจะแตกต่างจากการโจทย์อาบัตเพื่อให้พระอีกรูปรู้ถึงอาบัตของตนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าพระไหนสอนผิดทำผิดและพระผู้ใหญ่หรือคณะสงฆ์ตักเตือนไม่ได้ศา ส, สนาก็คงจะล่มจมเราก็คงรักษาความจริงให้สืบต่อไปไม่ได้นะครับ ว่าด้วยติรชานกถาคือถ้อยคําอันขวางทางไปสู่สวรรค์หรือนิพพานหมายถึงเรื่องราวที่ไม่ควรนำมาเป็นข้อถกเถียงสนทนากันและทำให้เกิดฟุ้งซ้านและหลงเพลินเสียเวลาสำหรับในปัจจุบันติรชานกถานั้นไม่ได้หมายถึงแค่การพูดกันนะครับในปัจจุบันเรารวมลงถึงการเขียนเรื่องไร้สาระในอินเทอร์เน็ตด้วย ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากล่าวติระฉานราถาซึ่งมีหลายอย่างคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าที่นอนห่วงดอกไม้ของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องบ้านนิคมเมืองชนบทเรื่องสตรีบุรุษ คนกล้าหารเรื่องตรอกท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบยดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะติรชานกถานี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อนิพพาน ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อจะกล่าวพึงกล่าวว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขะนิโรธความดับทุกนี้ทุกขะนิโรธาขาไม่ น, นีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเพราะถ้อยคํานี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งโรมอาจารย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกาหนดเพื่อดับ เพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อกล่าวอริยสัจสีประกาศนี้ธรรมจักรกับปวัตนวัฏหมวดว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันเขตกรุงพารณาณสีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุปัญจวคีมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองประการบรรพชิตไม่พึงเสพที่สุดสองประการอะไรบ้างประการที่หนึ่ง การมาสุขการลิกานุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมะอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ประการที่สองอตตากิละมาฐานุโยกการประกอบความเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์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 สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัตย์คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์รัถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุ ป, ปาทา น, นขันห้าเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุทยอริยสัจคือตัณหาอันทาให้เกิดอีก ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืน ความพ้นความไม่อาลัยในตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจคืออริยามรรคมีองค์8ดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่าง เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาริยสัตจักสุญาปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขาริยสัตย์นี้ควรกำหนดรู้และเราได้กำหนดรู้แล้วนี้ทุกขะสมุทยาอาริยสัตย์ ทุกขสมุทัยอริยศัสตร์นี้ควรละและเราได้ละแล้วนี้ทุกขนิโรธอริยศัสตร์ทุกขนิโรธอริยศัสตร์นี้ควรทำให้แจ้งและเราได้ทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมะทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะนิโรธาคามิหนีปฏิปทาอริยสัจทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจ น, าา น, นี้ควรเจริญและเราได้เจริญแล้วภิกษุทั้งหลายญาณทัศนะ์คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่ประการนี้มีวนสามรอบ มีส2องอาการอย่างนี้ตราบใดที่ยังไม่หมดจดดีเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกโรมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นแต่เมื่อใดอยานัศสนะตามความเป็นจริงของเราในอริยรรสัจสี่ประการ น, นี้ มีวนสามรอบมีสิบสองอาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสธรรมจักกับประวัตินาสูตรนี้ภิกษุปัญจวคีมีใจยินดีทางชื่นชมพระภาสิท์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณะอยู่ธรรมจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปฏิมาขยานธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนลถินได้เกิดแก่ท่านพระโกทัญญะว่า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 อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ข้อนี้หมายถึงใครๆในโลกปฏิเสธไม่ได้และโดยนัยเดียวกันถวยเทพชั้นต่างๆได้กระจายกล่าวด้วยข้อความนี้ต่อกันไปเรียงตามลำดับดังนี้เทพชั้นจตุมหาราช เทพชั้นยามาชั้นดุสิกชั้นนิมมานระดีชั้นปารณิมิตาสวติจนมาถึงถวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมเพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประกาศชนิ้ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างอันเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏในโลก ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานิีว่าผู้เจริญทั้งหลายโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอดังนั้นคำว่าอัญญาโกนทัญญานี้จึงได้เป็นชื่อของพระโกนทัญญานั่นแหละหมายเหตุ สำหรับพระไตรปิฎกเล่ม19นี้เป็นการประมวลธรรมในหมวดเดียวกันมารวมกันไว้นะครับประสูตรนี้คือการแสดงธรรมจาจักที่เราคนรุ่นหลังนำบาลีมาสวดแล้วไม่แปลให้เข้าใจและต่างผ่านกันคิดว่าสวดธรรมจากร108ก้อยแปจบหรือกี่จบ ก, ก็ตามและจะได้อนิสงส์มากมายเหล่านั้นก็อยากให้ฟังคำแปลเป็นหลักนะครับว่าการสวดมนต์นั้น เป็นเพียงการท่องจำหลักธรรมเรียบเรียงให้จดจําได้ง่ายมีความคล้องจองกันเพื่อให้สืบต่อกันได้โดยไม่ผิดพลาดเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีการจดบันทึกนะครับการท่องปากกล่าวจึงจำเป็นมากบทสวดคาถาต่างๆเกิดมาได้เพราะเหตุนี้ดังนั้นจึงควรมีสติระลึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคแล้วนำมาปฏิบัติ น้อมใจพิจารณาธรรมตามบทสวดที่แปลแล้วเข้าใจแล้วจนจิตเข้าถึงเท่านั้นถึงจะมีอนิสงส์จริงๆนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าสวดแปลไม่ออกแล้วก็พาการคิดว่าแค่นั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายสิ่งที่ได้สำหรับการสวดมนต์แบบนั้นก็คือได้สมาธิแต่ไม่เกิดปัญญานะครับแถมถ้าวางจิตไม่เป็นการสวดแบบนั้น ก็เป็นศิลปตะปรามาตรเป็นสิ่งที่ขัดขวางการบรร ล, ลุธรรมเป็นการตั้งใจดีที่ทำร้ายตัวเองแบบที่ยากจะถอนออกได้ดังนั้นจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับว่าด้วยอายตนะภายในภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่ประการ คือทุกขอริยสัจทุกขะสมุทัยาอาริยสัจทุกขนิโรธอาริยสัจและทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอาริยสัจทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าทุกขอริยสัจนั้นได้แก่อายตนะภายในหประการอายตนะภายในหประการคือจักขวายตนะ อายตนะคือตาจนถึงมานายตนะอายตนะคือใจเป็นต้นนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขสมุทยอริยสัจเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้เพลิดเพลิน อ, อยู่ในอารมณ์นั้นๆคือกามตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับตัญหาไม่เหลือด้วยวิรา ค, าคาะความสละความสลละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัญหา ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจข้อปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์นั้นคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นนั้นอริยสัจสี่ประการ น, นี้แหลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นิทุกขะสมุทยัยนิทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธค ข, ขามินีปฏิปทาสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าอาวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษคมมกุความไม่รู้ในทุกขทท์ความไม่รู้ในทุกขะสมุทัยความไม่รู้ในทุกขะนิโรธความไม่รู้ในทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทานี้เรียกว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาเพราะเหตุนั้นเธอเพิงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นีทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์มีทุกขะนิโรธความดับทุกข์นีทุกขะนิโรธคามิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทูลถามว่าวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่บุคคลจึงชื่อว่ามีวิชาตรัสตอบว่าความรู้ในทุกข์ ในทุกขสมุทยัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าวิ ช, ชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่ามีวิ ช, ชาภิกษุทั้งหลายคำที่เราบัญญัติไว้ว่านี้ทุกขอริยสัจในคำบัญญัตินั้นเมื่อจะขยายความว่า นี้ชื่อว่าทุกขอริยศาสตร์แม้เพราะเหตุนี้อักษรพยัญชนะและการจำแนกไม่มีที่สิ้นสุดคําที่เราบัญญัติว่านี้ทุกขะสมุทัยาอาริยศาสตร์จนถึงนี้ทุกขะนิโรธคาไินีปฏิปทาอาริยศาสตร์นั้นในคําบัญญัตินั้นเมื่อจะขยายความว่านี้ชื่อว่าทุกขนิโรธคาไินีปฏิปทาอาริยศาสตร์ แม้เพราะเหตุนี้อักษรพยัญชนะและการจำแนกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่อย่างนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่น สิ่งสีอย่างอะไรบ้างคือข้อที่ว่า น, นี้ทุกขนี้ทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขะนิโรธความดับทุกขนี้ทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งสี่ประกานี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธข า, ามินีปฏิปทาโกติกขามวัคสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกติกขามแขวนวัชี ณที่นั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้หมายถึงไปจากพพหนึ่งสู่อีกพพหนึ่งกลับไปกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่อาอริยสัจสี่ประการอะไรบ้าง คือเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขาริยสัตว์เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเรร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะสมุทัยอาริยศสัตว์คือเหตุเกิดทุกข์เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธอาริยศสัตว์คือความดับทุกข์เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ คือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยาอาริยสัจทุกขะนิโรธาอาริยสัจและทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจเราถอนภาวะตัณหาได้แล้ว ภาวะเนติสิ้นไปแล้วบตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกภาวะเนติเป็นชื่อของตันหาหมายถึงเชือกผูกสัตว์ไว้ในพบตรัสคทถาประพันธ์ต่อไปว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปในชาตินั้นๆตลอดกาลยาวนาน อริยสัจสี่ประการนี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วภาวะเนติเราถอนได้แล้วรากเงาแห่งทุกเราตัดขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เราใดเ่าหนึง่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรธ นี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณและท่านเหล่านั้นย่อมไม่รู้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันส่วนสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข นีทุกขะสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขะนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขะนิโรธคามิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์คืออริยามรรคมีองค์แปดนั้นสมณพราหมเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมในหมู่พราหมทั้งท่านเหล่านั้นย่อมรู้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ และประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรัสคทถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนเหล่าใดไม่รู้ทุกเหตุเกิดทุกธรรมชาติเป็นที่ดับทุกขหลงได้สิ้นเชิงและไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขชนเหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ เป็นผู้ไม่ควรที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นผู้เข้าถึงชาติคือความเกิดและชราโดยแท้ส่วนชนเหล่าใดรู้ทุก์เหตุเกิดทุก์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกขลงได้สิ้นเชิงและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ เป็นผู้ควรที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้ไม่เป็นผู้เข้าถึงชาติคือความเกิดและชราภิกษุทั้งหลายเพราะเรารู้แจ้งอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงชาวโลกจึงเรียกตถาคตว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริงแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักตรัสรู้ตามความเป็นจริงแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมตรัสรู้ตามความเป็นจริงทั้งหมดนั้น ยอมตรัสรู้อริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงอริยสัจสี่ประการคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทยาอาริยสัจทุกขานิโรธอริยสัจและทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอาริยสัจภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของผู้รู้ผู้เห็น มิได้กล่าวความสิ้นอาสะวะของผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นความสิ้นอาสะวะของผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือความสิ้นอาสะวะของผู้รู้ผู้เห็นว่านิทุกข์นิทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์นิทุกขนิโรธความดับทุกขนิทุกขะนิโร ธ, ค า, โรธาคารมิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อใหถึงความดับทุกคืออริยมรรคมีองค์ป ความสิ้นอาสะวะของผู้รู้ผู้เห็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมมาตยาสาโลหิตก็ตามให้ความสาคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในการรู้อริยาาสัจสี่ประการตามความเป็นจริง ภิกษุทั้งหลายอาริยสัตว์สี่ประการนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเรียกว่าอาริยสัตว์พระตถาคตเป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกร ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นจึงเรียกว่าอาริยสัตว์ บรรดาอริยสัจสี่ประการนี้อริยสัจที่ควรกําหนดรู้ก็มีอริยสัจที่ควรละก็มีอริยสัจที่ควรทําให้แจ้งก็มีอริยสัจที่ควรเจริญก็มีอริยสัจสี่ประการนั้นทุกขอริยสัจควรกําหนดรู้ทุกขสมุทยอริยสัจควรละ ทุกขนิโรธอริยสัจควรทําให้แจ้งทุกข์นิโรธาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจควรเจริญภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกข์นิโรธความดับทุก มีทุกขนิโรธข า, ามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่าด้วยพระคมปฏิสมัยหนึ่งภิกษุผู้เทระหลายรูปอยู่ในเมืองสหชนิยะแคว้นเจตีครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้น ได้สนทนากันว่าท่านทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขะสมุทัยบ้างเห็นทุกขะนิโรธบ้างเห็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างเมื่อภิกษุผู้เทระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระขาวามปติเทระได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมได้ฟัง ได้รับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขะสมุทัยบ้างเห็นทุกขะนิโรธบ้างเห็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขะสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขะนิโรธบ้างเห็นทุกขะนิโรธค า, ธามินีปฏิปทาบ้าง ผู้ใดเห็นทุกขะนิโรธคือความดับทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขะสมุทัยบ้างเห็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขะสมุทัยคือเหตุเกิดทุกบ้าง เห็นทุกข์ยุโรธคือความดับทุกข์บางศีสะปาวณนะวัคพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าสีสะปาวันเขตรุงโคสัมพีครั้งนั้นทรงหยิบใบประดูลายสองสามใบขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรใบประดู่ลายที่เราหยิบขึ้นมากับใบที่อยู่บนต้นอย่างไหนจะมากกว่ากันทูลตอบว่าใบที่อยู่บนต้นไม้นั่นแหละมากกว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกันเพราะเหตุไรเราจึงไม่ได้บอก เพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ได้บอกสิ่งอะไรเล่าที่เราบอกแล้วคือเราได้บอกว่านี้ทุก นีทุกขะสมุทยัยเหตุเกิดทุกข์นีทุกขะนิโรธความดับทุกข์นีทุกขะนิโรธค า, ามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนิทุกขะสมุ ท, ทยัยนิทุกขะนิโรดนิทุกขนิโร ธ, ธาคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้แจ้งทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงแล้วจากทําที่สุดแห่งทุกขโดยชอบได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเราจะใช้ใบตะเคียนใบทองหลาง หรือใบมะขามป้อมห่อน้ำหรือห่อใบตานำไปแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเราไม่ได้รู้แจ้งทุกขอริยศัสตร์เป็นต้นนั้นตามความเป็นจริงและจักทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่เป็นไปได้ที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราได้รู้แจ้งทุกขอริยศัสตร์ ทุกขะสมุทยาอาริยสัจทุกขะนิโรธาอาริยสัจทุกขะนิโรธาคามิหนีปฏิปทาอาริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้เปรียบเหมือนบุคคลจะพึงกล่าวว่าเราจะใช้ใบบัวใบทองกวาวหรือใบย่านสายห่อน้ำหรือห่อใบตา น, นำไปก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยสัจสี่ประการ น, นี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายท่อนไม้ที่กว้างไปบนอากาศบางคราวเอาโคน ล, ลงมาบางคราวเอาตรงกลางลงมาบางคราวเอาปลายลงมาแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาปิดกั้น มีตัณหายงใหญ่จึงแล่นไปท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ประการคือไม่เห็นทุกข์ไม่เ ห, เห็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นความดับทุกข์ไม่เห็นข้อปฏิบัติเพื่อใหถึงความดับทุกข์ เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงถึงอริยาศาศาสัจสี่ประการนี้ภิกษุน์ทั้งหลายเมื่อผ้าถูกไฟไหมหรือศีรษะถูกไฟไหมควรทำอย่างไรทูลตอบว่าควรทำความพอใจในความพยายามความอุตสาหะขมักขเม้น ความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟนั้นพระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายควรวางเฉยไม่ควรใส่ใจถึงผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขำำมักขมันความไม่ท้อถอย สติและสัมปัชชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อรู้แจ้งอริยาาสัจสี่ประการที่ยังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงอริยาาสัจสี่ประการคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงถึงอริยาาสัจสี่ประการนี้ เรียบเหมือนใกลๆพึงกล่าวกับบุรุษผู้มีอายุหนึ่งรปีว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญชนทั้งหลายจักใช้หอกร้อยเล่มทิมแทงท่านในเวลาเช้าใช้หอกร้อยเล่มทิมแทงท่านในเวลาเที่ยงและอีกร้อยเล่มในเวลาเย็นท่านนั้นถูกหอกทิมแทงวันละสามร้อยเล่มมีอายุหนึ่งรปีเมื่อล่วงไปหนึ่งร้อยปี ก็จักรู้แจ้งอริยสัจ4ี่4ประการที่ยังไม่ได้รู้แจ้งกุลบุตรผู้เห็นประโยชน์ควรยอมรับข้อเสนอนั้นเพราะเหตุไรเพราะสงสารนี้มีเบื้องต้นกับเบื้องปลายกําหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นละที่สุดแห่งการประหารด้วยหอกการประหารด้วยดาบการประหารด้วยหลาวและการประหารด้วยขวานย่อมไม่ปรากฏ อุปมานี้ฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่กล่าวว่าการรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการมีได้พร้อมกับทุกข์และโทมนัสแต่เรากล่าวว่าการรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการมีได้พร้อมกับสุขและโสมนัสเท่านั้นอริยสัจสี่ประการคือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรร ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามิหนีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้มารวมกันเป็นกองเดียวกัน ครั้นรวมเป็นกองเดียวกันแล้วพึงทำให้เป็นเหลาครั้นทำให้เป็นเหลาแล้วพึงเสียบสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในมหาสมุทรเข้าที่เหลาขนาดใหญ่เสียบสัตว์ขนาดกลางที่เหลาขนาดกลางเสียบสัตว์ขนาดเล็กที่เหลาขนาดเล็กสัตว์ขนาดเคื่งในมหาสมุทรยังไม่ทันหมดท่อนไม้กิ่งไม้ในชมพูทวีปนี้ พึงหมดไปเสียก่อนภิกษุทั้งหลายการที่จะเสียบสัตว์ขนาดเล็กในมหาสมุทรซึ่งมีมากกว่าสัตว์ขนาดเขื่องนั้นเข้าที่เหลามิใช่ทําได้ง่ายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตัวมันมีขนาดเล็กอุปมาณิฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นอบายก็ใหญ่นักบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ หลุดพ้นจากอบายที่ใหญ่อย่างนั้นแล้วยอมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นเธอทั้งหลายพึ่งทำความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยสัจสี่ประการ น, นี้ตามความเป็นจริง ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทยัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพานิมิตฉันใดสัมมาทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นตัวนำเป็นบุพานิมิตเพื่อความตรัสรู้อริยาาสรรัจสี่ประการภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิพึงหวังได้ว่าจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขัดสมุทยัย นี้ทุกขนิโรธนี้ทุกข์นิโรธาคามิหนีปฏิ ป, ปทาภิกษุทั้งหลายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดความสว่างสวัยเจิดจ้าก็ายังไม่ปรากฏตราบนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมนอนท ก, การกลางวันและกลางคืนไม่ปรากฏเดือนและกึ่งเดือนไม่ปรากฏ ฤ ด, ดูและปีก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นความสว่างสวัยเจิดจ้าย่อมปรากฏเวลานั้นไม่มีความมืดมนอนตะการกลางวันและกลางคืนก็ปรากฏเดือนและกึ่งเดือนฤ ด, ดูและปีก็ปรากฏข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกราบใดความสว่างสวัยเจิดจ้าก็ยังไม่ปรากฏราบนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมนอนทักการการบอกการแสดงการบรรยัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ประการก็ยังไม่มี แต่เมื่อใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นความสว่างสวัยเจิดจา้าก็ปรากฏเวลานั้นไม่มีความมืดมนอนท ก, การการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ประการก็ย่อมมีฉัจ น, นั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโรธทคามิหนีปฏิปทาสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองหน้าของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนปุยน so ouais. ุ so er. <te apt า>่นหรือปุ๋ยฝ้ายเป็นของเบามักลอยไปตามลมวางไว้บนพื้นอันราบเรียบลมทางทิศตะวันออกพัดปุ๋ยนุ่นหรือปุ๋ยฝ้ายนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดไปทางทิศเหนือข้อนั้นเพราะปุ๋ยฝ้ายเป็นของเบา อุปมานี้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณพราหมลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงสมณพราหม์เหล่านั้นย่อมมองหน้าของสมณพราหม์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุไงเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ประการ ส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดอริยสัจ ส, สี่ประการนี้ตามความเป็นจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ต้องมองหน้าของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงเปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาเขื่อนมีลำต้นปักไว้ลึกฝังไว้ดีไม่ไหวไม่โยกแม้หากพายุฝนพัดมา จากทิตตะวันออกอย่างรุนแรงก็ไม่สัน่นไม่สถานไม่สะเทือนแม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้อย่างรุนแรงก็ไม่สัน่นไม่สะเทือนไม่สถานข้อนั้นเพระเสาเหล็กหรือเสาเขื่อนมีลำต้นปักไว้ลึกฝังไว้ดีอุปมาณ้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมณพรามหม์เหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขนิโรธัคขามินีปฏิปทาสมณะพราหม์เหล่านั้นไม่ต้องมองหน้าของสมณะพราหม์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเห็นอริยสัจสี่ประการดีแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยสัจสีประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรู้ชัดอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงแม้หากสมณพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะ สแสวงหาวาทะมาจากทิศตะวันออกด้วยคิดว่าจากโตวาทะกับภิกษุนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจากสะทกสถานหรือวันไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นด้วยสหธรรมหมายถึงความมีเหตุผลแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะสแสวงหาวาทะมาจากทิศตะวันตก มาจากทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามจากโตวาทะกับภิกษุนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจากสะทกสถานหรือวันไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นด้วยสหธรรมเปรียบเหมือนเสาหินยาว16ศอกเสาหินนั้นมีลำต้นปักลงไปข้างล่าง8ดศอกอยู่ข้างบน8ศอกเมื่อหากพายุฝนพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตก ทิศเหนือหรือทิศใต้พัดมาอย่างรุนแรงก็ไม่สั่นไม่สะเทือนไม่สถานเพราะสาวหินมีลำต้นปักไว้ลึกฝังไว้ดีอุปมาณ้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั่นเหมือนกันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขะนิโรธความดับทุก นี้ทุกข์นิโรธาคาไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์แม้หากสมณะหรือพรามต้องการวาทะสแสวงหาวาทะมาจากทิศใดก็ตามจากโตวาทะกับภิกษุนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจกสะทกสถทานหรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพรามนั้นด้วยสหธรรม ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเห็นอริยสัจสี่ประการดีแล้วอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือทุกขาอาริยสัจทุกขสมุทัยาอาริยสัจทุกขนิโรธทุกขนิโร ธ, ธาคารมิเนปติปทาอาริยสัจอริยสัจสี่ประการนี้เรียกโดยย่อคือทุกขสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรค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 าปาตาวักสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแหลรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนหนึ่งออกจากกรุงราชคฤห์เข้าไปยังสระโบกครณีชื่อสุมากราด้วยตั้งใจว่า จะคิดเรื่องโลกแล้วนั่งคิดเรื่องโลกอยู่ริมสะบกครณีเขาได้เห็นกองทัพสี่เราเข้าไปสู่การบัวที่ริมสระบกครณีเชื้อสุมาคาลาเราคิดดังนี้ว่าเราชื่อว่าเป็นคนบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเห็นสิ่งที่ไม่มีในโลกต่อมาเขาเข้าไปยังเมืองบอกแกงมูมหาชนว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นคนบ้า เห็นสิ่งที่ไม่มีในโลกหมู่มหาชนถามเขาว่าได้เห็นอะไรที่ไม่มีในโลกเขาจึงเล่าเรื่องที่ได้เห็นกองทัพสีงเหล่าเข้าไปสู่ก้านบัวเมื่อได้ฟังดังนั้นคนทั้งหลายจึงบอกว่าท่านเป็นคนบ้าแน่มีจิตฟุ้งซ่านแน่และสิ่งนี้ที่ท่านเห็นแล้วแต่ไม่มีในโลกภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นได้เห็นสิ่งนั้นจริงทีเดียวไม่ใช่ไม่จริงภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรประชิดกันในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรพ่ายแพ้พวกอสูรที่พ่ายแพ้กลัวแล้วพากันเข้าสู่บุรีอสูรทางการบัวทำจิตของเทวดาทั้งหลายให้งงงวยอยู่ ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอยากคิดเรื่องโลกว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดชีวะกับสารีระเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างหลังจากตายแล้วตถาคตที่หมายถึงอัตมันเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำนัดไม่เป็นไปเพื่อดับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อนิพพานเธอทั้งหลายเมื่อจะคิดพึงคิดว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคาไินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานว่าด้วยเหวคือสังสารวัฏสมัยหนึ่งพระผู้มิพระภาคประทับอยูน่นภูเขาคิดจักูดเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งกุนถามว่า เหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวที่อยู่นี้มีอยู่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะตรัสตอบว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่านึงไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาสมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติคือการเกิดยินดีในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาาเพื่อมรณะเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาตสมณพราหมณ์เหล่านั้นผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติรามรณะเป็นต้นนั้น ย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติที่เป็นไปเพื่อชราที่เป็นไปเพื่อมรณะที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมานตสและอุปายาตบ้างสมณะพรามเหล่านั้นครันปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีที่เป็นไปเพื่อชราก็ดีเป็นต้นนั้นย่อมตกไปสู่เหวคือชาติบ้าง ตกไปสู่เหวคือชราบ้างตกไปสู่เหวคือมรณะบ้างตกไปสู่เหวคือโสกะปริเทวะทุกทรมนต์และอุปายาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกทมนต์และอุปายาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุก ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นยอมไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปาญาต ยอมไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างเป็นต้นนั้นสมณะพราหมณ์เหล่านั้นครันไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีที่เป็นไปเพื่อชรามรณะก็ดีเป็นต้นนั้นยอมไม่ตกไปสู่เหวคือชาติบ้างคือชราบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือมรณะบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือโสกะบริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปายาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นจากชาติชารามโมรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตและชื่อว่าพ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียร เพื่อรู้ชัดอริยาาสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงว่าด้วยนรกชื่อมหาปริลาหะภิกษุทั้งหลายนรกชื่อมหาปริลาหะหมายถึงมีความเร่าร้อนมากนรกนี้มีอยู่ในนรกนั้น บุคคลเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้กลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้รสอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องผดผัพรู้แจ้งธรรมารมอย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่จะได้ยินได้ดมได้ลิ้ม ได้สัมผัสทางกายและทางใจเฉพาะสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าความเร่าร้อนนั้นมากจริงๆความเร่าร้อนอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้มีอยู่หรือไม่ทรงตอบว่า ความเร่าร้อนที่มากกว่านี้มีอยู่ความเร่าร้อนนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายสมณะพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโร ธ, ธาคามินีปฏิปทาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลาย ที่เป็นไปเพื่อชาติชราหมรณะโซกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปายานย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายรันปรุงแต่งแล้วย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนคือชาติบ้างคือชราบ้างคือโมรณะบ้างเป็นต้นนั้นเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะ โสกะบริเทวะทุกโทมานตและอุปายาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายส่วนสมณพราหม์เหล่าได้เหล่านึง่งรู้ชัดอริยสัจ ส, สี่ประการตามความเป็นจริงสมณพราหม์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติชรามมรณะเป็นต้นย่อมไม่ปรุงแต่ง รันไม่ปรุงแต่งแล้วยอมไม่เร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนคือชาติเป็นต้นนั้นสมณะพรามหมลานั้นยอมพ้นจากชาติชราโมรณะโสกะบริเทวะทุกโทมานต์และอุปายาตและชื่อว่าพ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายเพิงทำความเพียร เพื่อรู้ชัดอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงว่าด้วยอุปมาด้วยเรือนยอดภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้แจ้งทุกข์อริยสัจจนถึงไม่รู้แจ้งทุกขานิโรธาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริง แล้วจักทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเรายังไม่ได้สร้างเรือนชั้นล่างแล้วจักต่อชั้นบนแห่งเรือนยอดแม้ฉัน้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันแต่เป็นไปได้ที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้แจ้งอริยสัจ4มีทุกขอริยสัจเป็นต้นนั้นตามความเป็นจริง แล้วจักทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้เป็นไปได้ที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเราได้สร้างเรือนชั้นล่างแล้วจักต่อชั้นบนแห่งเรือนยอดแม้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุ น, นั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยสัจสีประการนี้ตามความเป็นจริง ว่าด้วยอุปมาด้วยปลายขนสายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามาหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์เข้าไปบินธบาตอย่างกรุงเวสาลีได้เห็นลิชวีกุมารจำนวนมากฝึกยิงลูกศร อ, อยู่ในสันทาคารให้เข้าทางช่องดาลเล็กๆจากที่ไกล ติดต่อกันได้ไม่ผิดพลาดครั้นกลับจากบินธบาต์ภายหลังชันพัฒาหารเสร็จแล้วจึงเข้ากราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือผู้ที่ยิงลูกอนเข้าทางช่องดานเล็กๆจากที่ไกลติดต่อกันได้ไม่ผิดพลาดหรือผู้ที่ใช้ปลายคนสาย ซึ่งแบ่งเป็นเจ็ดเสียงแทงเข้าที่ปลายขนทรายยังไหนทำได้ยากกว่าหรือเกิดได้ยากกว่ากันทูลตอบว่าผู้ที่ใช้ปลายขนทรายซึ่งแบ่งเป็นเจ็ดเสียงแทงเข้าที่ปลายขนทรายนี้แหละทำได้ยากและเกิดได้ยากกว่าอานนที่แท้เหล่าชนพูดแทงตลอดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธถ้ธามิหนีปฏิปทาชื่อว่าแทงตลอดสิ่งที่แทงตลอดได้ยากกว่าเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงว่าด้วยความมืดคือสังสารวัฏ ภิกษุทั้งหลายโลกันตะนรกมีแต่ความทุกข์มืดมนอนทการมัวเป็นหมอกสัตว์ในนรกนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทูลถามว่าจะมีความมือดอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือไม่ส่งตอบว่ามีอยู่ข้อนั้นคือ สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงคือไม่รู้ว่านิทุกข์เป็นต้นนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติคือการเกิดชราโมรณนะเป็นต้นผู้ยินดียิ่งแล้วย่อมปรุงแต่งพรันปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืด คือชาติเป็นต้นนั้นบ้างเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชราโมรณะโสกบริเทวะทุกโทมานต์และอุปาญาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่านึงรู้ชัดอริยสัจสีประการ น, นี้ตามความเป็นจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติคือการเกิดเป็นต้นนั้นผู้ไม่ยินดียิ่งแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือชาติบ้างไม่ตกไปสู่ความมืดคือชราบ้างคือมรณะบ้างไม่ตกไปสู่ความมืดคือโสกะบริเทวะ ทุกโทมนตและอุปายาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมพ้นจากชาติชารามโมรโะโสกบาริเทวะทุกโทมานั์และอุปายาตและชื่อว่าพ้นจากทุกข์ภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก นี้ทุกขะสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียวภิกษุททั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรในมหาสมุทมนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่ง มันโผล่ขึ้นมาร้อยปีต่อครั้งเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาร้อยปีต่อครั้งจะสอดคอเข้าไปในแอ่ที่มีรูเดี่ยวโน้นได้บ้างหรือไม่ทูลตอบว่าถ้าเวลาล่วงเลยเป็นนานบางครั้งบางคราวมันก็จะสอดคอเข้าไปในแอ่นั้นได้แน่ภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้น เมื่อโผล่ขึ้นมาร้อยปีตอรลังจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดี่ยวโน้นยังเร็วกว่าแต่เราไม่กล่าวว่าคนผ่านผู้ตกไปสู่วินิบาตกล่าวเดียวแล้วกลับได้เป็นมนุษย์อีกจะเร็วกว่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรมการประพฤติชอบการทำกุศล และการทำบุญในวินิบัตินั้นมีแต่การเคี้ยวกินกันเองการเคี้ยวกินผู้มีกำลังน้อยกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ประการมีทุกขอริยสัจเป็นต้นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียร เพื่อรู้ชัดอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงเปรียบเหมือนมหาปัตถีนี้เนื่องเป็นอันเดียวกันบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูเดียวลงบนมหาปัตถีนั้นลมทางทิศตะวันออกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดไปทางทิศใต้ ลมทางทิศใต้พัดไปทางทิศเหนือบนมาหาปตพีนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาร้อยปีต่อครั้งเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาร้อยปีต่อครั้งจะสอดคอเข้าไปในแอร์ที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างหรือไม่ทูนตอบว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก สิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นเหมือนกันการได้ความเป็นมนุษย์ก็ยากการที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ยากการที่ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วรุ่งเรืองในโลกก็ยากบัดนี้เต่านั้นได้ความเป็นมนุษย์นีแล้ว ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกและท ร, รมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองในโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดต่างความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโร ธ, โรธาคามิหนีปฏิปทา ประมาด้วยขุนเขาสิเนรุภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเก็บก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนของขุนเขาซินเนรุเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมากับขุนเขาสินเนรุอย่างไหนจะมากกว่ากัน ทูลตอบว่าคุณเขาซิเนรุนี่แลมากกว่าก้อนหินที่เก็บมานั้นเมื่อเทียบกับคุณเขาซิเนรุแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลยภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปมากก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเป็นต้นนั้นทุกที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้รู้ยิ่งมีมากกว่าที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างมากมีได้เพียงเจ็ดชาติภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทางความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยาาสัจสี่ประการตามความเป็นจริงเปรียบเหมือนคุนเขาสินเนรุหมดสิ้นไปเหลือก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร ขุณเขาซิเนรุที่หมดสิ้นไปกับก้อนหินขนาดมเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่อย่างไหนจะมากกว่ากันทูลตอบว่าขุณเขาซิเนรุที่หมดสิ้นไปนี่แหละมากกว่าส่วนก้อนหินขนาดมเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดก้อนที่เหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทพกับคุณเขาซิเนรุที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลยภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมคก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกะสมุทัยเป็นต้นนั้นทุก์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้รู้ยิ่งมีมากกว่า ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวอย่างมากมีได้เพียงเจ็ดชาติภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยเหตุเกิดทุก นิทุกขะนิโรธความดับทุกขนิทุกขะนิโรธทักษะมินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกขคืออริยามรรคมีองค์แปดอภิสมยอวัคหมวดว่าด้วยการรู้ยิ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าฝุ่นนี้ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันทูลตอบว่าแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นนี้เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคานวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเซี่ยวเลยข้อนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกาสมุทัยเป็นต้นนั้นทุกที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิยิ่งผู้รู้ยิ่งมีมากกว่าที่เหลืออยู่มีประมาณน้อย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 บุรุษใช้ปลายยคาขาจุ่มน้ำขึ้นจากสะบกกรณีนั้นน้ำที่บุรุษใช้ปลายยคาขาจุ่มขึ้นมากับน้ำในสะบกกรณีอย่างไหนจะมากกว่ากันทูลตอบว่าน้ำที่บุรุษใช้ปลายยคาขาจุ่มขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยเทียบกับน้ำในสะแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว เปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมูนาเป็นต้นไหลมาบรรจบกันณนที่ใดบุรุษช้อนน้ำส่องสำยดขึ้นมาจากที่นั้นน้ำนั้นกับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันอย่างไหนจะมากกว่ากันทูลตอบว่าน้ำสองสำยดนั้นเมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลยเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยามุนาเป็นต้นไหลมาบรรจบกันณที่ใดน้ำในที่นั้นพึงหมดสิ้นไปเหลือน้ำอยู่แค่สองสามหยดน้ำสองสาหยดนั้นเมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันซึ่งหมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลย เปรียบเหมือนบุรุตพึงเก็บก้อนดินขนาดมเมล็ด ก, กระบาเจ็ดก้อนจากแผ่นดินใหญ่ก้อนดินขนาดเล็กเจ็ดก้อนนั้นเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลยเปรียบเหมือนแผ่นดินใหญ่พึงหมดสิ้นไปเหลือแต่ก้อนดินขนาดมเมล็ด ก, กระเบลอยู่เจ็ดก้อนก้อนดินนั้น เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปแล้วคํานวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเปรียบเหมือนบุรุษพึงช้อนน้าในมหาสมุทรขึ้นมาสองถึงสามหยดน้ำสองสาหยดนั้นเมื่อเทียบกับน้ําในมาหาสมุทรแล้วคํานวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลยเปรียบเหมือนน้าในมาหาสมุทร พึงหมดสิ้นไปเหลือน้ำอยู่สองสัหยุดน้ำในมหาสมุทรที่หมดสิ้นไปนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำสองสัหยตที่เหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้เลยเปรียบเหมือนบุรุษพึงเก็บก้อนหินขนาดมเมล็ดผักกาดเจ็ดก้อนของคุณเขาหิมพ า, าน คุณเขาหิมพา น, นี่แหละมากกว่าส่วนก้อนหินขนาดมเมล็ดผักกาดเจ็ดก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมาเมื่อเทียบกับคุณเขาหิมพานแล้วคํานวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้เลยเปรียบเหมือนคุณเขาหิมพานพึงหมดสิ้นไปเหลือแต่ก้อนหินขนาดมเมล็ดผักกาดอยู่เจ็ดก้อนคุณเขาหิมมพานที่หมดสิ้นไปนี่แหละมากกว่า ส่วนก้อนหินขนาดมเมล็ดผักกาศเจ็ดก้อนที่ยังเหลืออยู่เมื่อเทียบกับคุณข่าวอิมพานที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลยภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั่นเหมือนกันบุคคลผู้เป็นอริยาสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก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 นี้ทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาหมดว่าด้วยอมะกะทัญญะใบญาณครั้งนั้นพระผู้มีประภาคทรงใช้ปลายนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วตรัสถามว่าฝุ่นเล็กน้อยนี้ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่นี้ อย่างไหนจะมากกว่ากันคุนตอบว่าแผ่นดินใหญ่นั้นมากกว่าปุ่นเล็กน้อยนี้เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวเลยภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีเพียงเล็กน้อย ส่วนสัตว์ที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษย์มีจำนวนมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริสยสัตว์สี่ประการคือไม่ได้เห็นทุกขะอริยสัตว์ทุกขะสมุทัยอริยสัตว์ทุกขะนิโรธอริยสัตว์และทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์และโดยในยะเดียวกัน ฝุ่นเล็กน้อยในปลายเล็บนั้นเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ยอมเทียบเคียงกันไม่ได้สัตว์ที่กลับมาเกิดในมัชชิมชนบทมีเพียงเล็กน้อยส่วนสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตะชนบทในหมู่ชาวมิลักขะผู้โง่เขลามีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจากสุอย่างประเสริฐมีจานวนน้อย ส่วนสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชารุ่มหลงมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่เว้นขาดจากการดื่มน้าเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการดื่มน้าเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุาากกาแห่งความประมาทมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่เกิดบนบกมีจานวนน้อยส่วนสัตว์ที่เกิดในน้า มีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่เกื้อกูลแกมารดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เกื้อกูลแกมารดามีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่เกื้อกูลแกบิดาที่เกื้อกูลแกสมณพรามที่อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูลมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่เกื้อกูลต่อบิดาเกื้อกูลแกสมณพราม อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูลมีจํานวนมากกว่าสัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำหยาบเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากการพรากเพื่อจคามและภูตคาม เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวมีจำนวนน้อยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแกกุศลมีจำนวนน้อยสัตว์ที่เว้นขาด จากที่นอนสูงใหญ่มีจำนวนน้อยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทองและเงินมีจานวนน้อยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาตหญิงและ่าตชายเว้นขาดจากการรับแพะและแกะไก่และสุ ก, กรช้างโคมา้าและลา มีจำนวนน้อยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเลือกสวนไรนาและที่ดินมีจำนวนน้อยสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลง เว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจําการตีชิงวิ่งราวการปล้นการกันโชกสัตว์ทั้งหลายที่เว้นขาดจากการกระทําเหล่านั้นมีจํานวนน้อยกว่าสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากสิ่งเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัตว์สี่ประการคือไม่ได้เห็นทุกข์อริยสัตว์เป็นต้นนั้น ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงสำหรับในหลายข้อเป็นศีลหรือวินัยของพระภิกษุที่ต้องรักษานะครับถ้าเป็นคารวาะก็ต้องแยกแยะด้วยอย่างในเรื่องของการค้าขายคารวาะหรือเข้าเรือหัดสามารถทาได้นะครับ และโดยในยะเดียวกันพระภูมิพระภาคทรงเปรียบเทียบฝุ่นที่ปลายนัขาคือปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่ว่าแผ่นดินใหญ่นั้นมากกว่าฝุ่นที่ปลายเล็บนั้นน้อยกว่าโดยเทียบกันไม่ได้คํานวณไม่ได้ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติ คือตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดในนรกมีจํานวนมากกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในกําเนิดสัตว์ดิรัชานมีจํานวนมากกว่าสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจํานวนมากกว่า สัตว <cat> nah ์ท <for> <Yes. S 2> ี่จ şey ุติจากมนุษย so ์ไปเกิดในนรกไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าและโดยในยะเดียวกันสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจานวนมากกว่า สัตว์ที en, ่จุดต <ential> ิจากเทวดามาเกิดในมนุษย์มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุดติจากเทวดาไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจํานวนมากกว่าสัตว์ที่จุดติจากนรกมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุดติจากนรกกลับมาเกิดในนรกอีกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน เกิดในภูมิแห่งเปรตมีจํานวนมากกวา่าสัตว์ที่จุดติดจากนรกไปเกิดในหมู่เทวดามีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุดติดจากนรกกลับมาเกิดในนรกในกําเนิดสัตว์ดิรัชานในภูมิแห่งเปรตมีจํานวนมากกวา่าสัตว์ที่จุดติดจากกําเนิดสัตว์ดิรัชานมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจํานวนน้อย มาเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกาเนิดสัตว์ดิรัชานไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัชานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตมาเกิดในมนุษย์หรือเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรต ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เิรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยาาสัจว์4ประการอริยาาสัจว์4ประการอะไรบ้างคือทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจเหตุเกิดทุกข์ทุกขนิโรธอริยสัจความดับทุกข์ และทุกขนิโรธาคามไม่นีปฏิปทาอาริยสัจข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดโดยรวมเรียกย่อว่าทุกขสมุทยัยนิโรธและมรรคภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกมีทุกขะสมุทยัย นิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละระไตรปิดกเล่มที่สิบเก้า สังยุตตานิกายมหาวารวักจบบริบูรณ์